ถ้าได้ความรู้ความเข้าใจไปนะเอาไปปฏิบัติต่อเราจะรู้เลยว่าช่วงสามวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าพอจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่าอัศจรรย์เป็นธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้ชีวิตที่จมความทุกข์เคยกมากก็ทูกน้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยอยู่กับโลกแบบไม่มีทิศทาง อยู่ตามตามเข้าไปางั้นวันๆก็ เ, เป็นคนรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตเรามีชีวิตขึ้นมานี่เพื่อจะมาพัฒนามายกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความพ้นทุกข์บริสุทธิ์หลุดพ้นไปมันมีเป้าหมายที่เราจะเดินไปแล้วมีวิธีเดินด้วยไม่ใช่มีแต่เป้าหมายอย่างเดียวแต่ไม่มีวิธีการ เป้าหมายก็ชัดเจนเราปฏิบัติกันเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวิธีการที่เดินก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคได้มี1นแต่มีองค์ประกอบ8ประการเหมือนแมงมุมตัว1นึงนะมี8ขามี1เท่านั้นแหละ เเรียกว่าเอกอายนามัตย์ทางเอกทางสายเดียวไม่มีสองสายองค์ประกอบ8ประการย่อลงมาก็เหลือ3ามศีลสมาธิปัญญามาพัฒนามันขึ้นมาจะพัฒนาศีลก็มีศีลสิกขาจะพัฒนาสมาธิก็ต้องมีจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจะพัฒนาปัญญาก็มีปัญญาสิกขาเรียนเรื่องวิธีจเจริญปัญญา หลวงพ่อพูดเรื่องวิธีให้มีสมาธินะวิธีที่จะคอยรู้เท่าทันจิตจนได้สมาธิสมาธิสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะเคล็ดลับก็คือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดมันก็ไม่วิ่งพลาดไปที่อื่นแต่จิตที่วิ่งพลาด น, นั้นก็วิ่งหาความสุขเท่านั้นเอง งั้นอย่างถ้าเราพุโทโธแล้วมีความสุขนะจิตอยู่กับพุโทโธจิตก็สงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตไปอยู่กับลมหายใจก็ไม่หนีไปที่อื่นก็สงบนะเคล็ดลับมีเท่านั้นแหละสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวสมถานะจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ ง, ม, นนงมีอารมณ์อันเดียว มีจิตดวงเดียวจิตแบบเดียวกันซ้ำๆๆนะเกิดซ้ำๆกันเหมือนๆกันอยู่ในอารมณ์เดียวกันจิตอยู่กับพุทโธก็ไม่มีอารมณ์อื่นจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่มีอารมณ์อื่นมีแต่ลมหายใจนี่ยสมถะแต่สมาธิชนิดที่ใช้เดินปัญญาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูนะ เนี่ยสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่พวกเราเท่าเรียนให้ได้ไม่งั้นเราเจริญปัญญาไม่ได้นี่สมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะสมาธิอย่างนั้นมีมาก่อนใครๆเ้าก็สอนกันได้นะส่วนสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงให้ดูจะเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมหรือนำมาทำนะเย่อแยะนับจํานวนไม่ท้วนะเกิดดับตลอดเวลาจิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นคนดู ทำหน้าที่ดูเท่านั้นเองเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาได้สุดท้ายจิตก็ฉลาดก็รู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอจิตได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกความสุขเกิดแล้วความสุขดั บ, ค ว, ดบความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ดับโรภโลดหลงเกิดแล้วก็ดับกนะูสนเกิดแล้วก็ดับอย่างบางทีเรามีศรัทธาบางทีก็ไม่มีศรัทธาศรัทนะธาเนี่ย บางทีหายเอาไปเฉยๆบางทีก็มีวิริยะบางทีก็ไม่มีนะวิริยะนี่เกิดได้ทั้งกุศลอกุศลนะมีวิริยะชั่วๆก็ได้นะวิริยะดีๆก็ไดนะ้สตินี่เป็นตัวดีสมาธินี่เกิดได้ทุกฝ่ายทั้งดีทั้งชั่วจะยิงเขาเนะก็ต้องมีสมาธิทํนะาชั่วก็มีสมาธิแล้วปัญญานี่เป็นฝ่ายดีนะต้างค่อยๆเรียนนะ ใจเย็นเย็นสามวันมากแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่มากหลวงพ่อไปเรีย น, นอยูหลวงปู่ดุลครั้งที่หนึ่งอะ่ะก็หนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะแล้วท่านไปนั่งหลับตาง เ, งเงียบๆซะอีกเกือบชั่วโมงเแล้วท่านลืมตามมาสอนนะสอนแล้วก็พูดเรื่องนอนเรื่องนี้นิดหน่อยไม่เกินชั่วโมงหรอกไม่นาน จริงเราเราครึ่งชั่วโมงนะแต่ท่านหลับตาอยู่ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> เกือบชั่วโมงรวมๆแล้วไม่ถึงสองชั่วโมงีม่เรีงกับท่านครั้งแรกนะครั้งที่สองชั่วโมงหน่อยๆไปเรียกับท่านครั้งอื่นก็ประมาณนั้นนะ่ะมีครั้งสุดท้ายไปหาท่านนะท่านสอนตั้งแต่ตอนบ่ายจนค่ำเลยท่านสอนทิ้งทวนนั้น งันจริงๆเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ไม่นานนะใช้เวลานิดเดียวเรียนครั้งที่หนึ่งท่านบอกว่าการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก็มาอ่านไปเรื่อยนะทีแรกอ่านไม่เป็นไปบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบว่างแล้วก็จ้องอยู่ น, นะจ้องอยู่ที่จิตนี่เรียกว่าดูจิตคิดอย่างนี้นะ ดูอยู่สามเดือนดูจิตให้ทั้งวันเลยครั้งนี้ไปส่งกันบ้านท่านบอกยังไม่ได้ดูจิตเลยหวัวแต่แทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งก็ไปแทรกแซงมันไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งทำผิดไปทำาไมสอนอย่างนี้นะทำผิดไปทำไหม่ครั้งที่สองเนี่ยอยู่กับท่านสักชั่วโมงท่านะัรวมแล้วนะชั่วโมงที่ท่านสอนเนี่ย สองครั้งเนี่ยที่ท่านพูดด้วยจริงๆไม่ถึงสองชั่วโมงพวกเราเรียนทั้งสามวันเยอะแล้วครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปหาวันที่หกกุมภาสองห้าอีกสมเดือนไปหาครั้งหนึ่งท่านบอกทำผิดอีกสี่เดือนไปหาท่านบอกถูกแล้วเพิ่งตนเองได้แล้วท่านบอกท่านบอกว่าไม่จาเป็นต้องมาเรียนกับท่านอีกละ ท่านให้ผ่านแล้วคล้ายๆเป็นลูกนกนะพ่อนกแม่นกเห็นว่าบินได้แล้วก็ไม่ต้องอยู่กับพ่อนกแม่นกแล้วว่างนั้นแต่เราก็ไม่โง่หรอกเราก็ไปเรื่องอะไรจะไม่ไปครั้งสุดท้ายไปหาท่านท่านสอนตั้งแต่บ่ายๆค่าเลยนะท่านหอบเลยเรียนจากท่านครั้งสุดท้ายแล้วอีกสาสิบหวันท่านก็มรณภาพเงินท่านไม่ยอมให้กลับ สอนอยู่ น, นนะสอนละเอียดยิบเลยนะสอนเกี่ยวับข้กระบวนการเข้านิพพานอะไรต่ออะไรนะซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยสุดท้ายท่านนั่งหอบนั่งหอบนะบอกท่านบอกหลวงปู่ผมจะกลับแนะล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วท่านบอกยังกลับไม่ได้นะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิต จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านรู้ว่าหลวงพ่อจับตัวรู้ชำ น, น้ชำ น, นาญมากเลยไม่ปล่อยตัวรู้หรอกจับตัวรู้ให้เข้มแข็งมากเลยเข้มแข็งขนาดไหนขนาดครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้ะสออย่างนี้ ผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่อะไรเนี่ยบทีมุดเข้าไปข้างในนะภาวนามุดตามกิเลสเข้าไปลึกเลยกล่าวว่าจะไปดูต้นต่อของกิเลสลึกไล่ไล่ไล่ลเข้าไปมันก็หายไปถอยขึ้นมากิเลสโผล่ขึ้นมาดูอีกเมื่อหดตัวนะหนีไปอีกเนี่ยไล่อย่างเนี้หลวงู่สิมเจอหน้ากวักมือเรียกเลยไม่ได้ถามอะไรท่านเลยผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกสารให้เลยนะ รู้ว่าเราโง่ไปหากิเลสข้างในกิเลสอยู่ข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์นี่กิเลสมันถึงจะเกิดนะไม่ใช่หากิเลสอะไรอยู่ข้างในลึกๆเข้าไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรในจิตนั้นเป็นผู้รู้หลวงปูดลท่านเลยทิ้งท้ายไว้ให้ต้องทำลายตัวนี้จริงเพราะผู้รู้ทํำลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง รวมเวลาที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะรวมทั้งหมดเลยนะไม่ถึงสามวันหรอก mm hmm. เพรา ะ, ะนั้นพวกเราเรียนสามวันเยอะแล้วนะอยู่ที่ทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองนะถ้าทําเราจะรู้เลยลงมือปฏิบัติไปเราจะรู้เลยสามวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าในชีวิตเรานะเหมือนเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยที่อยู่กับหลวงปู่ดูลนี่มีคุณค่าในชีวิตหลวงพ่อมากเลยนะฉะนันพวกเราต้องเอาไปทํานะ เรียนอย่างเดียวธรรมะฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความถือตัวว่ากูรู้มากฉลาดรอบรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้ก็แค่จําได้เท่านั้นแหละไม่ได้มีความรอบรู้ลึกซึ้งถ้ารอบรู้ลึกซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงต้องไม่ทุกข์นะเพราะงั<ม>้นถ้ายัางทุกข์อยู่เรียกว่ายัางต้องเรียนอยู่ยังไม่รู้จริงหรอก ใครไม่ทุกข์บ้างมีไหมจะได้โมทนาสาธุเป็นพระอาหารหันต์อีกองคหนึ่งนะ <c oughs> ยังทุกข์อยู่ยังทุกข์ล้อมลุกลุกลานนะต้องอึด น, นะต้องทนเนาอึดอึไว้ทนเอาไว้เจริญสตินะใครมีสติบ่อยๆมีความรู้สึกตัวขึ้นมานะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆโดยเฉพาะการรู้เท่าทันใจของตัวเอง เวลากิเลสเกิดนะเรารู้ทันใจของเรากิเลสเกิดที่ไหนกิเลสเกิดที่ใจไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลสไม่ได้เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายนกิเลสเกิดที่เดียวคือที่ใจงั้นเวลากิเลสเกิดนะเรารู้ทันจิตของเราชำนีชำนาญเราเห็นว่กิเลสผุดขึ้นมาแล้วกิเลสจะดับอัตโนมัติเมื่อกิเลสดับกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาเห็นไหมมีสติถูกต้องนะก็จะมีศีลขึ้นมา เรามีสติรู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็จะได้สมาธิขึ้นมาแม้สติสําคัญขนาดนี้มีสติก็มีศีล er. มีสติก็มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเกิดปัญญางั einz, ้นมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญานะ ใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อเคยไปเจอท่านครั้งแรกนะได้ยินแต่ชื่อหลงไม่เคยเจอนี้ท่านเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลจุฬาหรืออะไรนะไปเยี่ยมท่านเจอหน้าท่านท่านก็คุยเรื่องน้นเรื่องนี้ให้ฟังนะแล้วท่านก็เล่าว่าท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งเทศเรื่องเจริญสตินี่แหละ ถ้าทพเทสจบนะไอคนที่จัดเทสต้องมาว่าท่านทําไมไม่สอนให้คนรักษาศีลเนี่ยมาแต่สอนเจริญสติอย่างเดียวนะไม่มีทำทานรักษาศีลทําสมาธิอะไรเลย mm. ท่าน่็หัวเราะนะท่าแต่ท่านไม่ได้หัวเราะเขาหรอกท่านไม่ว่าอะไรเ้ามาหัวเราะให้หลวงพ่อฟังบอกเขาก็ถูกอย่างของเขานะเราก็ถูกอย่างของเราเนะอาจารย์ประโมทเนาะอย่างนี้ ถ้าเรามีสติแล้วก็มีศีลเรามีสติแล้วก็มีสมาธิเรามีสติล้วก็มีปัญญานี่ยใช่ไ้มท่านจับเอาต้นต่อมันได้คนไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องเทศให้มีศีลสอนโยมให้ตายสอนให้มีศีลมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละไม่มีสตินะเดี๋ยวศีลก็ขาดแล้วงั้นสติสำคัญนะพวกเรามีสติให้มาก ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกศีล ส, สมาธิปัญญาที่แก่รอบขึ้นมาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทาอริยมรรคให้เกิดได้นะอริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งนะชื่ออัจจายิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ภิกษุฟังพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าชาวนามีหน้าที่สามอย่างคือหนึ่งนะ พอฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ไปหวานข้าวพอหวานข้าวแล้วก็คอยดูเรื่องระดับน้ำน้ำมากไปก็เอาออกน้ำน้อยไปก็เอาเข้าถึงเวลาข้าวออกรวงของข้าวเองนะแต่ชาวนาทำเงื่อนไขาสามอย่างนี้ภิษูก็ทำเงื่อนไขาสามอย่างคือมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองนะ อริยมรรคเกิดขึ้นเองเราทำไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาแต่ทำเหตุนะเะั้นเราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ก็อาศัยมีสตินี่แหละนะถ้าขาดสติก็คือขาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะขาดคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าไม่มีสติตัวเดียวนี่ทันทีที่จิตไม่มีสตินะจิตที่เป็นกุศลดับทันทีเลยนะจิตที่เป็นกุศลทุกดวงต้องประกอบด้วยสติเนะฉนั้นต้องมีสติไว้ ต่อไปส่งกันบ้านว่ามาก็ตอนนี้รู้สึกมีความสุขอะค่ะได้รู้สึกมีความสุขเออมีก็รู้แล้วชอบไหมก็ชอบแต่ก็รู้ค่ะเราต้องรู้นะค่ะรู้รู้จริงอะถ้ารู้จริงนะราคาจะต้องดับทันทีเลยไอเ น, นี้ยความติดอกติดใจในะความสุขอยู่ไหมอยู่ยยังอู่เห็นไหมไม่รู้จริงหรอก ต้องรู้ทันน ะ, ค, ะความสุขไม่ใช่กิเลสเราทําบุญเราฟังทำอะไรเนี่ยเป็นกุศลนะบุญกุศลนําความสุขมาให้พอมีความสุขแล้วตรงเนี้ยมาเป็นผลของบุญของกุศลความสุขตรงนี้แต่พอราค้าเกิดยินดีพอใจจิตเป็นอกุศลในปัจจุบันละความสุขเป็นผลของกุศลในอดีตส่งมาให้มีความสุขในปัจจุบัน แต่พอถึงปัจจุบันพอมีความสุขเราก็มีความยินดีในความสุขเรากําลังทําอาคุศลในปัจจุบันอีกแล้วนะแต่อไปความสุขหายไปเราก็จะเศร้าโศกนี่เราก็จะได้รับผลของอาคุศลตัวนี้รู้ทันมันเข้าไปเลย อ, อย่าไปทอถอยนะค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำกนะารเพิ่มเติใครทําเอานะรู้ทันใจของเราเข้าไปเ อ, อกิเลสอะไรแทรกอยู่นะรู้มันเข้าไปไม่ใช่รู้เพื่อจะละนะ รู้เพื่อจะรู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วก็จะเห็นเลยมันเป็นอะไรเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาค่ะ ข, ขอบพระคุณเจ้าค่ะนมสดกของพระโยมมีความสงสัยอยู่อย่างค่ะเออก็คืออยู่ที่บ้านบางทีสวยหมดบางครั้งก็หลับไปเลยแบบไม่รู้ตัวแต่พอสะดุ้งแบบทันทีได้รู้ก็ยังคิดว่าจะเป็นเรื่อ ง, อ, งอนัตตาหรือเรื่องใครรักที่ไ้รู้ว่าเป็นเรื่สติอ่อนสติอ่อนไป อนัตตาจริงนะบังคับไม่ได้จริงอ่ะแต่ถ้าเราเพิ่มสติขึ้นไมัมนก็ไม่หายไป mm hmm. เพิ่มพลังของสติพัฒนาสติไปเรื่อยหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะ mm hmm. สติจะเข้มแข็งขึ้นมามองผิดไหมคะว่าเป็นอนัตตาได้ไปไม่ผิดหรอก mm hmm. เพราะว่าสเพธมาอนัตตาอะไรๆก็อนัตตาหมดอ่ะไม่ผิดหรอก <laughs> ถ้ามองว่าเป็นอันตาละผิดแต่ว่าไม่ใช่ไปยอมว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ช่างมันเลยนะ ปล่อยให้เคลิ่มๆไปเรื่อยไม่ดีเพิ่มสติเพิ่มเหตุที่ดีขึ้นกำลังของจิตจะได้มากขึ้นมากขึ้นนะถ้าไปนั่งแล้วก็จะไม่เคลิ้ม น, น, นั่งสมาธิไม่เอาเคลิมหรอกนะะเอาความรู้สึกตัวเอาสติเอาปัญญานาัสการค่ะเมื่อวานหลวงพ่อให้ไปดูการไหลของจิตค่ะเห็นไหมเห็นค่ะโอ้ดีเห็นมันไปทุกทางทั้งหกทวารใช่ค่ะ แล้วก็อย่างเมื่อวานนั่งนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ภาวนาพุโทโธหนูบริกรรมพุโทโธอยู่อะคะ่ะก็ได้ยินเสียงไก่ร้องออหนูก็เห็นว่าใจมันวิ่งไปตามเสียงแล้วหนูก็แค่รู้แล้วหนูก็กลับมาพุโทโธดึงกลับมาไหมก็แอ บ, บดึงถ้านะดึงเนี่ยจะแน่นะนะวิธีวัดง่ายๆเลยถ้าดึงคืนมาจะแน่นปึ๊กเลยค่ะพอพ อ, พอภาวนาไปเรื่อยๆก็พุโทโธไปอีกไก่ก็ร้องอีกแต่คราวนี้มันเกิด ความําคาญเพราะมันร้องไม่หยุด อ, อย่างนี้ยค่ะหนูก็เลยเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่เกิดความลาคาญแต่ตอนนี้มันเกิดความลาคาญเพราะว่าใจไม่เป็นกลางใช่ไหมคะดูไปสิเราลาคานเหตุของความลาคาญมีหลายอย่างหนึ่งมีอนุสัยที่ลาคาญสองมีผัสสะที่ชวนให้ลาคาญสามมีการตรึกไปในทางพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดค่ะรู้สึกไอไก่นี่หน้าต้มขานะักเนื้อ ก็แค่แค่รู้มันเฉยๆเออรู้มันนะค่ะถ้าไม่มีพยาบาทวิตกโทสาก็ไม่เกิดหรอกค่ะคือหนูพยาบาทใช่ไหมคะใช่พยาบาทไก่ก็จะขอกันบ้านเพิ่มค่ะหลวงพ่อไปหัดทำต่อนะอย่าขี้เกียจนะค่ะถ้าขี้เกียจเนี่ยมันไม่ได้ผลอะไรค่ะขยันไว้ค่ะขอบคุณค่ะทำถูกแล้วต้องขยันกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อวานก็ ก็ไปรู้ต่อค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภาวนาสบายกว่าเดิมสบายกว่าวันแรกอะคะ่ะแล้วก็เมันเริ่มเห็นความสืบต่อของออสิ่งต่างๆอะคะ่ะ เ, เหมือนอย่างแบบเหตุพ่อไก่อีกแล้วอะคะ่ะก็อย่างไก่กระพือปีกแล้วมันก็ขันคือดังมากอยู่อยู่ใกล้กุดมากอะคะ่ะก็แบบเอ อ, เ อ, อ พอได้ยินปั๊บเนี่ยใจมันรู้ว่ามันได้ยินที่หูแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจค่ะแล้วใจมันก็แปรบก็คุณรู้อีกว่ามันแปรบเหมือนฟ้าแลบเลยแบบนั่นแหละแล้วก็ร่างกายก็บิดคือคือเหมือนแบบมันไปตามนั้นโดยที่คือพอมันกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็แบบเออมันมันเป็นของมันเองอ่ะค่ะคือทุกอย่างมัน มันจากเสียงมาที่หูมาที่ใจตัวบิดคือแบบเอ้มันเป็นของมันเองหมดเลยคือโดยโดยเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็แสดงว่าไก่เนี่ยร้องดังมากเลยากใจมันกลัว <laughs> ตัวอะไรบิด <laughs> ไก่พวกนี้ไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะจริงๆเป็นไก่ป่านะไก่ป่าเนี่ยเขาว่าไม่เชื่องไม่เชื่องอว่าวัดหลวงพ่อเชื่องไก่เชื่องมากเลยงูยังเชื่องเลย เนะชื่องหมดนะตัวเงินตัวทองก็มีนะมันหนีไม่จากข้างนอกใครเขาเจอเขาก็ฆ่าหมดสัตว์อบพยพมาอยู่ในวัดเยอะแยะเชื่องเชื่อนกเขาเขียวก็มีนะสวยเคยเห็นไหมเดินเหมือนไก่เหมือนกันนะเดินตามตอกตอกๆๆเราจเจริญเมตตาไว้นะสัตว์โลกมันก็รู้สึกนะสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารมากเลยถูกมนุษย์นี่เบียดเบียนที่สุดเลย ทำลายที่อยู่ทำลายที่กินอะไรของมันหมดเลยทำลายกระทั่งชีวิตมันนะเรามีความเมตตาไว้ใจของเราจะร่มเย็นสัตว์ก็ได้อาศัยบ้างนะของหนูขี้มโมโหนะไปเจริญเมตตาไว้ขอบคุณค่ะกับนายรัชการครับหลวงพ่อว่างไงขอคำแนะนำก็เอาอย่างนี้เลยนะ แนะนำไปตั้งแต่เช้าแล้วมีสติไว้นะครับผมของของผมนี่เจริญปัญญาน่าจะเป็นจิตตาเจริญไปนะครับดูไปขอบคุณครับว่าไงก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางอย่างดูเรามันตัดได้ไม่หมดมันยังเหมือนมีคราบอะไรที่แบบเมีคราบให้รู้ว่ามีคราบไม่ได้ดูเพื่อละนะดูเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษ ไม่ให้ดูเพื่อจะแก้ไขอะไรหรอกเพราะฉะนั้นจิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสกิเลสก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราบังคับก็ไม่ได้อนะไรเงี้ยดยอย่างนั้นเอาต่อไปใครจําเป็นขอที่จําเป็นจริงๆนะไม่ใช่ที่โลภนะเอาใครจะคุยกับหลวงพ่อลุกคิดไม่เป็นกลางกับการเปรียบเทียบอะครับจะชอบเปรียบดูเขาทํางานไปเรื่อยๆดี นี่ส่งกันบ้านแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วของจริงๆไม่ต้องเยอะหรอกพวกที่หลวงพ่อพูดด้วยนานเนี่ยนะคือพวกมีปัญหาเยอะต้องโอโลมปฏิลมกราบนมัสการ์ท่านอาจารย์คะ่ะยมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการวางอุเบกขานะคะสงสัยว่า ในชั้นต้นเนี่ยเราต้องฝึกทําก่อนใช่ไหมเจ้าคะแล้วต่อไปแล้วมันถึงจะเป็นอตอุเบกขามีหลายแบบเนาะโยมเจ้าขาอุเบกขาเพราะว่าสมาธิก็มีจิตมันสงบนะใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยอุเบกขาอย่างนี้เกิดจากสมาธิก็ง่ายๆแหละอุเบกขาที่ดีเนี่ยเกิดจากปัญญาอย่างเราเห็นในใจของเราเรื่อยๆความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเห็นซ้ําๆนะต่อไปใจก็อุเบกขากระสุขและทุกข์ รู้วามันของช่วคราวทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายก็ตามถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมีใจเป็นคนดูเรื่อยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปสุดท้ายใจก็จะเป็นอุเบกขาเพราะปัญญาถ้าอุเบกขาได้ด้วยปัญญานี่จะดีมากเลยนะต้องฝึกเอา อ๋อในชั้นต้นนี่ต้องฝึกไปก่อนใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่มีสิ่งกระทบเราก็พยายามวางอุเบกขาไ ม, ไม่ไม่พยายามให้รู้ทันว่ามันไม่อุเบกขาเจ้าขาถ้าพยายามอุเบกขานะ่าจะเครียดนะโยมเดี๋ยวเก็บกดเจ้าขาเวลาเราไม่เก็บกดเราไม่เครียดนะเช่นเราเห็นคนนี้เกลียดไม่ต้องอุเบกขาเกลียดก็เกลียดแต่เกลียดแล้วเรารู้ทันว่าเราเกลียดเขาเห็นคนนี้เราชอบเรารู้ว่าชอบไม่ต้องแกล้งว่าไม่ชอบหรอก นะรู้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้เลยใจยินดีนะก็ทุกแบบหนึ่งใจยินร้ายก็ทุกนะใจก็ถูกบีบคั้นด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุดท้ายมันมันก็อุเบกขาไปเองเจ้าค่ะนะฝึกนะค่ะมีมีข้อสงสัยอีกข้อเดียวนะเจ้าค่ ะ, ะที่เมื่อวานท่านอาจารย์บอกว่าการกําหนดการระลึกรู้ในปัจจุบันนี้ต้องให้ถึงฐานนี่คําว่าฐานนี่หมายถึงว่าบนฐานทั้ง4สติปัฏฐานใช่ไหมเจ้าค่ะที่จิต ที่จิตนะเวลาเราไปรู้กายทําสติปัฏฐานรู้กายจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนี่เรียกว่าจิตถึงฐานเวลารู้เวทนานะจิตไม่ไหลเข้าไปที่เวทนาและจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนี่เรียกว่าถึงฐานจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูจิตนั้นไม่ไหลแต่เราสติเรารู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายเวทนาจิตทำไปเรืย จ้าค่ะนะกราบขอบพระคุณฉะนั้นถึงจะเรียกถึงฐานไม่ใช่ถึงฐานที่อย่างรู้ลมหายใจแล้วไปถึงฐานไปถึงลมหายใจนิ่งอยู่กับลมอันนั้นไปเพ่งลมละ ไ, ไม่ได้เลยนะเป็นสมถะครับเป็นพระอาจารย์ผมมีสองข้อความใจครับข้อแรกคือในขณะที่เราพยายามฝึกตามดูตามรู้จิตอยู่เป็นพักๆ พ, พอมันก็เบื่อมันจะรู้สึกว่าเกิดราคาเกิดขึ้นอยากไปทําอย่างอื่นออื แต่ก็พยายามสู้ว่าเ้ยเราต้องพยายามต่อไปคือคือตั้งมั่นมีคำแนะนำอะไรไะมครับจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะนะไม่ได้ไปเกลียดมันหรอกพระเจ้าท่านสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าราคะกับจิตนะเป็นคนละอันกันนะจิตเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองราคะเหมือนกคแขกมาเยี่ยมถึงบ้านเท่านั้นเองนะดูอย่างนี้เรื่อย ค่อยๆแยกไปเรื่อยอะไรๆก็ถูกรู้ไม่ใช่จิตหรอกถ้าำทำจำนาญ น, นะจะราคาโทสะกุศลนกกุศลเลยก็เหมือนแขกมาบ้านหมดเลยคืออย่างนั้นนะก็คือแค่รับรู้ว่าเ <c oughs> ขาบ่าแค่นั้นเองแค่เขามาแค่เขายังอยู่แค่เขาไปรู <c oughs> ้ไปเรื่อยๆเหมือนคนมาบ้านเราคนมาบ้านเราเรา ย, ยังไม่รู้ <ừ> เรื่องเลยก็ย <c oughs> แย่สนะิเนาะครับคบอีกเลข้อครับคือเมื่อเช้าที่ท่านพระอาจารย์ เรื่องของไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยครับแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายที่พระอาจารย์บอกว่าสุดท้ายก็จะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วในขณะที่เรารับรู้อยู่ขนาดนี้แล้วมันเป็นใครอะ่ะมันไม่ใช่เรามันก็คือจิตเพ้า <c oughs> จิตมันไม่ใช่เรามันคือสภ า, สภาวะธรรมตัวหนึ่งก็ไเองคือสภาวะธรรมตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ของมันจิตเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งทาหน้าที่รู้เท่านั้นเอง ถ้าถ้าเรารู้มากพอสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เร า, าใช่ใช่เราจะรู้ว่าเราไม่มีมีแต่ขันห้ามันทํางานไปแต่ไม่มีเราที่ตรงไหนเลยะมันก็เลยไม่มีไม่มีตัวที่เป็นทุกขนะ์ไงมันมีเราอยู่นะเราเราก็ทุกข์ไปเรื่อยแหละถึงวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเราแล้วความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์ไปอยู่ที่ขันไม่เกี่ยวกับเราหรอกไม่มีเรามันเห็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่คิดนี่คิดไม่ออกหรอกนะ ว่ายังไงจิตไม่เป็นเรายังมียากกว่านี้อีกนะตรงที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกน้อยนอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วยังดำเป็นตัวทุกสียอีกถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกจะเป็นท่าละหันของโยมต้องอย่าคิดเยอะนะฉลาดปัญญาเยอะไป นมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเมืม่อวานนี้<ม>ได้ปรึกษาพระอาจารย์ว่าให้ทําอย่างไรไม่ไม่ใช่ทําให้ไปเจริญแผ่เมตตาค่ะ<ม>ได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันพลิกไปเลยห<ม>ลุดหลุดไปค่ะ<า>แล้วก็คือค ว, ความที่เราโกรธเราแน่นเราโทสะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วสมาธิดีขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ให้ทำอีกนะ แล้วก็เริ่มเห็นกายนอนหลับก็พลิกไปพลิกมาเออชักจะเข้าท่าล้เห็นไหมสมาธิมันดีขึ้นเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าคืนเดียววันเดียวก็นี่นคืนเดียวก็พึงชมชค่ะแม้ราตรีเดียวก็พึงชมนี่แหละหาดเจริญสติเข้าเจ้าค่ะทีนี้ในโลกประจําวันเนี่ยจะจะแผ่เมตตา แผลไปเรื่อยๆแผลไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะได้ก็แพลไปเรื่อยๆได้เจ้าค่ะต่อไปควรมันจะมาติดอกติดใจเรานะว่าเราน่ารักดีกว่าเก่าเยอะเลยแต่ก่อนนี้ร้ายๆเจ้าค่ะนางมานร้ายจะคืนล่างเจ้าค่ะคือิที่กลัวคือออกจากวัดไปเนี่ยมานมันจะคืนถือหลักอย่างนี้นะรักษาศีลห้าไว้เจ้าค่ะในใจจะชั่วร้ายแค่ไหนนะก็แค่รู้มันไม่ว่ามันนะแต่ไม่ให้ลุออกมาทางกายทางวาจาเพราะมันไปลุกรานคนอื่นเขานะ ทั้งใจรักษาศี่ห้ า, าถ้าหนูสู้ได้หนูชนะได้นะหูสวยสดงดงามนี่คืนเดียวเห็นไม้มธรรมะต้องไม่เนิ่นช้าทำไรรปยี่สิบปีก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้เรื่องนะมาสการค่ะหลวงพ่อคือที่ผ่านมาค่ะเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะพยายามทําให้กายมีความสุขใจมีความสุขยังไงความสุขมันก็เหมือนเข้ามาแป๊บเดีย ว, ยวค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งความไม่พอใจอความโกรธแล้วก็มมไม่ได้ดั่งใจนะคะ ส่วนมากจะมีปัญหาก็ตอนเวลาไปทำงานเวลาเจออะไรเขามากระทบมันเหมือนมันรู้ว่าค่ะมันรู้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะเข้าไปอินกับมันเลยนะคะออนะตรงที่อินนี่แหละเราก็จะเข้าไปจับอารมณ์ไหมน ะ, ะไปทุกพระระหันเนี่ยไม่เข้าไปจับอะไรเลยสบายสบายภาคเพียงเท่าน ะ, ะคือ ถ, <ะ>ถ้ามันเห็นความจริงว่าเข้าไปยึดแล้วทุกเนะี่ต่แไปไมันต้องเข้าไปจับหรอ แล้วตอนนี้ทําสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะเหมือนทําแล้วมันจะง่วงแล้วจะเผลอหลับแล้วมันจะฟุ้งเกินนะคะตอนทําให้มันหลับไปไม่เป็นไรให้มันพักไปเราอยู่กับโลกเหนื่อยเกินพอมาทําสมาธิมันจะหลับให้มันพักไปพอว่ามันออกจากสมาธิแล้วเราก็มาดูเห็นร่างกายมันทํางานไปอะไรไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหลางค่นะเราขอการบ้านเพิ่มเติมนี่ไงให้แล้วนะต่ อ, อไปนี้คอยดูไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจก็รู้นะ โทรสาแทรกเข้ามารู้ทันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจค่ะขอบคุณค่ะครับหลวงพ่อครับวันศุกร์หลวงพ่อได้เมตตาไปแล้วนะครับพอดีมันยังรู้สึกว่าจิตมันไม่ยังกระจายกระจายอยู่เลยครับแล้วทำไงอ่ะจะให้หลวงพ่อไปดึงให้หรือก็เลยก็ยังก็ยังเหมือนมันจิตมันยังไปติดอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ชอบมันไม่ชอบครับ มันกระจายแล้วเราไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบนะการมันดูจิตดูใจเนี่ยดูเข้ามาให้ถึงใจจริงๆอันแรกมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันเช่นมันกระจายไปรู้ว่ากระจายมันฟุ้งรู้ว่าฟุ้งนะอันที่สองรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเช่นจิตไม่พอใจมันรู้ว่าไม่พอใจมาถึงความยินดียินร้ายของจิตครับที่แรกรู้อารมณ์ต่อมาก็รู้เท่าทันความยินดียินร้ายของจิตต่ออารมณ์มันนั้นไม่เป็นกลางมันไม่เป็นกลางนะครับ ของคุณไม่มีปัญหาอะไรคุณเห็นสภาวะแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นกลางเท่านั้นเองนะแล้วแล้วผมเคยมีตัวที่มันเกิดขึ้นมานี่คือผมไปติดมันเองใช่ไหมครับที่มันไปแยกตั้งจิตอีกตัวหนึ่งขึ้นมาโออย่างนั้นไม่เอานะครับอย่างนั้นไม่เอานไปตั้งตัวรู้ขึ้นมาครับแข็งแข็งอยู่มันเกินไปใช่มเกินเกินตึงเกินไปครับนะแล้วถ้าติดจะแก้ยากนะไม่วันนั้นหลุดมาแล้วก็พอดีมีกัลยาณมิตรท่านเบตาเตือนมาครับเออนีอย่าไปติดอยู่ครับ ส อ, สองวันแรกที่มาค่ะ ม, มันซึมมากเลยค่ะจิตซึมแต่ว่าตอนนี้ก็คลายออกมาบ้างอืมก็ ถ, ถูกแล้วละ่ะจิตถึงฐานหรื อ, อยังดูออกไหมบางครั้งค่ะตอนนี้ถึงไหมตอนนี้ถึงไหมตอนนี้ก็รู้ตัวอยู่ค่ะถ้าถึงฐานจริงนะใจจะเบ า, เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวน ะ, ะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อหรอกนะคะ ค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะฝึกมาวันนี้วันที่สามทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะนำ้ำมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นจิตเอ่อที่มันไม่ถึงฐานนะคะ <c oughs> แล้วเห็นต่อไปไหมว่ามันไม่ชอบอ่ะเห็นค่ะนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงฐานไม่ใช่ปัญหานะจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงปัญหาคือเราไม่เป็นกลางค่ <c oughs> ะให้รู้ตัวนี้แหละตัวที่ไม่เป็นกลาง หลงยินดีหลงยินร้ายนี่แหละค่ ะ, ะต่อไปเราก็จะเข้ามาสู่คําที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางค่ ะ, คะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3ปีกว่านะคะเป็นการมาวัดครั้งแรกแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเดียวในซีดีที่หลวงพ่อบอกคือรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า มันเหมือนกับข้างในเขาทำงานอะไรก็ลงไปเรื่อยๆตัวอย่างนั้น <ๆ S 2> จิตถึงฐานหรือเปล่าดูออกไหมาบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ขนาดนี้แหละไม่มีอะไรอีกไหม อ, อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้นะเขาว่ า, าจริตของควรจะดูอะไรนะคะช่างคิดไหมช่างคิดจ้ะช่างคิด ด, ดูจิตไปการดูจิตนะนะก็คือดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง เห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตผู้รู้นะถ้าไปดูจิตผู้รู้อย่าทื่อๆผิดเลยให้ดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกต่างๆความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนั้นแหละไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบรไรหรอก นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูติดอะไรไหมคะต้องติดสิไม่ติดเป็นพระรหัคนณเห็นไหมว่าเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นค่ะค่อยฝึกไปละแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ปัญญาแก่กล้าก็ต้องดูอนัตตาเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราหรอกขอบคุณค่ะเมื่อวานพี่เลี้ยงอะค่ะก็ถามว่าโยมเห็นธาตุขันแยกไหมโยมบอกว่าโยมไม่เคยเห็นโยมเห็นไหมว่าสงสัยเป็นยังไงโยมรู้ว่าสงสัยรู้มใจกําลังสงสัยเห็นไหมความสงสัยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้มันเข้าค่ะแล้วก็มีมพี่เลี้ยงอีกท่านหนึ่งแนะนําว่าให้โยมลองเอาเอาถูมือดูนะคะ พอถูไปนานๆโยมก็เริ่มเห็นว่ามันเรารู้แค่รู้สึกแต่ว่าเหมือนไม่มีท่อนแต่โยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือว่าไม่คิดหรอกนะมัก็รู้สึกแหละแต่นั่นเขาทำเป็นตัวอย่างนะแล้วเวลามันจะไม่รู้สึกเนี่ยมันจะเห็นความไม่มีตัวมีตัวเนี่ยมันเห็นเองไม่ได้เจตนาถ้าจงใจเห็นจะไม่เห็นแล้วเวลาที่โยมมีโทสะแรงๆอะค่ะโยมก็แทรกแซงตลอดอ่ะอย่างเช่นเห็นว่าโกรธ แล้วก็เป็นสัตว์นรกนะแล้วอยากให้หายก็รู้ว่าอยากให้หายแล้วก็เป็นอนัตตาแต่มันก็ไม่หายอ่ะเหมือนมันด่าในใจสลับสลับสลับจนโยต้องใช้ลมหายใจแรงๆแล้วสู้ไม่ไหวจริงๆก็ทำสมถะแต่ถ้ามันชี้โมโหนะก็ใช้เจริญเมตตาวิธีเจริญเมตตาเบื้องต้นใช้คิดเอาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญของเราด้วยอะไรก็คิดไปคิดบ่อยๆนะเนี่ยคนนี้เ็าคิดคืนเดียวเขาเปลี่ยนเดี๋ยวกลับบ้านเปลี่ยนกลับอีกที้งแต่พี่เลี้ยงแนะนำให้โยมแบบกล้าๆปล่อยไปเลยมันแล้วแต่ไงถ้าสู้<ม>ได้ก็ปล่อยแล้วตามรู้แล้วถ้าโยมคิดว่าโยมแทรกแซงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเลิกแทรกแซงเป็นความคิดที่ถูกเป็นความคิดที่ผิด มันจะเคยชินกับการแทรกแซงมันจะแทรกแซงไปเรื่อยๆแ ล, แ ล, แ, ลแล้วถ้าททแทรกแซงเก่งเมื่อไหร่นะมันจะกูเก่งขึ้นมาเมื่อนั้นเลยค่ะค่ะโยมเห็นตัวกูเก่งด้วยเออนั่นแหละเพราะว่าแทรกแซงเก่งแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าโยมปล่อยคือกลัวว่าเราจะสร้างอคติตรงนี้ลหลวงพ่อจะสอนหลักที่สำคัญให้เลยนะไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากขนาดนี้ความรู้สึกอะไรกาลังปรากฏในใจเราก็รู้ไปเล่น รู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เข้าใจตอนนี้ตกเข้าไปอยู่ในวังวนของความคิดเมื่อจะคิดไปแล้วก็จะสงสัยไปไม่มีที่สิ้นสุดหรอกตัดวงจรอุบาทของการคิดเนี่ยด้วยการรู้เท่าทันสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นสดๆดดร้อนๆในใจเรารู้สบายๆไปเลยแป๊บเดียวก็สิ้นสงสัยแล้วกรรรัาการหลวงพ่อครับผมศึกษามาปีนึงแล้วครับ ไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่าครับพูดดังนิดเดียหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงอ่ะผมศึกษามาปีนึงแล้วครับไม่ทราบว่าทําถูกหรือเปล่าครับเห็นกิเลสไหมเห็นครับเออเห็นนั่นแหละถูกแล้วเวลากิเลสเกิดแล้วบางทีมันก็มาบังคับใจเราได้ใช่ไหมบางทีเรารู้ทันมันก็หายไปเป็นอย่างนั้นไหมครับเอออย่างนั้นก็ถูกอีกหลยรู้ทันด้วยอย่างอยากพูดรู้ไหมครับใจมันอยากพูดรู้ว่าอยากพูดก็ถูกอีกและ้ว รู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเราไปเรื่อยนะดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยหนีไปคิดหรือยังคิดครับแล้วจริตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับได้บางคนเปลี่ยนเร็วเขาเรียกดัดจริตเปลี่ยนไม่มีอะไรคงที่หรอกนะไม่มีอะไรเที่ยงหรอกจริตก็ไม่เที่ยงหรอกนะเราสะสมของเรามาทางไหนเราก็เคยชินไปทางนั้นเรียกเป็นจริตไป อ, อย่าไปกังวลนะไปกังวลรู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้รู้สบายๆดูสิเธอจะอยู่นานแค่ไหนอย่าไปดูว่าเมื่อไหร่เธอจะไปนะเวลากิเลสเกิด mm hmm. ก็ดูไปเธอจะอยู่นานแค่ไหนเนาะฉันจะดูไปเรื่อยดูสบายๆกิเลสเกิดแล้วเมื่อไหร่จะไปสุกทีอันนี้ไม่ไปหรอกโทสะมันแทรกขอบพระคุณครับหลวงพอ่อ น้มศการครับพระอาจารย์ผมปฏิบัติมาก็ประมาณสี่ปีกว่าแล้วก็ทำต่อเนื่องมาตลอดแล้ว<ม>ก็ในรูปแบบก็ประมาณวันละสามชั่วโมงโอ้ดีจังแล้วก็ระหว่างลมกับกายก็เขาก็สลับของเขาเองครับตอนนี้แล้วก็จะ<ม>รู้กระหลงรู้กระหลง<ม>ลก็บ่อยขึ้น อันี้ผมมีสวัสพภาษาสภาวธรรมวันหนึ่งคือเมื่อไม่นานนี้ผมก็ฟังเทศของพระอาจารย์แล้วก็เห็นตัวเองนอนตายที่รู้เพราะว่าจิตเ็าบอกว่าโอ้ตายแล้วอ อ, อ, อืผมก็ไม่อยากไม่ทราบว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรนะมันจะเป็นยังไงก็แค่รู้เท่านั้นแหละ บ, บางทีมันก็เป็นนิมิตขึ้นมาได้นะ ยิ่งถ้าเราทำในรูปแบบเยอะวันหนึงหลายชั่วโมงวันทีจิตมันรวมเข้าไปนะแสดงให้ดูตายให้ดูก็มีนะเน่าให้ดูเลยก็มีขอบพระคุณครับผมไม่ติดขัดอะไรไม่ได้ติดขัดนะขอบคุณมากครับเราไม่หวังผลอะไรทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็ดีวิเศษมากเลยแล้วผลมันเป็นของแถมมาเองนรมาสการ์จา์พยายามคลายเพ่งกับ การบังคับมาค่ะแล้วก็โยมจะกลับอเมริกาพรุ่งนี้โยมขอการบ้านนะคะนั่นแหละอย่าไปเพ่งนะคะปล่อยให้มันทํางานดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยถ้าหากมันจะไปเพ่งนิ่งๆนะั้นดูร่างกายทีละส่วนเลยผมคนเล็บฟันหนังเรื่อนกระดูกดูมันแยกเป็นส่วนส่วนส่วนไปแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยะนะใจะจะได้ไม่ติดนิ่งครับคุณค่ะ การนัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างทังโลกกันค่ะคุณหลวงพ่อสองเดือนที่แล้ ว, ลวรับปากหลวงพ่อว่าจะนําหนังสือไปที่อินเดียก็ได้นําไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับใจนะโมทนาด้วยเราก็ทีนี้หนูอยากจะเมตขอเมตตาหลวงพ่อค่ะช่วยแนะนําข้อปรับปรุงให้หนูเพื่อหนูจะได้ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานดูเล่นๆไปนะ<ะ>ทําไปสบายๆอยาเครียด<ะ>นะดูให้มันสบายไม่นานก็เข้าใจได้ ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะออโยมใช้ความรู้สึกตัวกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเออนะ่าอยาให้ซึมนะเจ้าค่ะบ า, บางขณะโยมก็เห็นกายไม่ใช่ตัวบางขณะก็เห็นขันแต่ละขันมันทำงานของกายสัต อ, อย่างานั้นแหละได้น ะ, ะแต่ใจขนาดนี้ตั้งมั่นถึงฐานเป็นกลางไหมออไม่ถึงเจ้าค่ะมัวมัวไหม รู้สว่างแจ่มใสเบิกบานคือคือโยมรู้สึกบางครั้งโยมจะติดนิ่งกับติดว่าเออนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวปัญหานะแล้วไม่ทราบโยมจะปรับปรุงยังไงเจ้าค่ะอย่าไปจงใจปฏิบัติมากนักนะพยายามดูให้เป็นธรรมชาติเยอะๆหน่อยแล้วใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยปล่อยให้ใจมันทำงานออกมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยให้ใจมันทำางานตามธรรมชาติธรรมดาเจ้าค่ะ ไม่กำจับติดซึมไปงั้นนะผ่อลมหายใจแล้วก็ทําหน้าให้ดูเรื่องไปอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะะเออไม่ดี ร, รู้สึกตัวให้มันสดใสรู้สึกตัวให้มันชัดเจนนะจาค่ะกรรมนวัตสการพระอาจารย์ค่ะจะอยากจะขอคําแนะนํา ม, มาค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยติดเพ่งแล้วก็ขี้โมโหไหมเป็นคะ่ะช่วงนี้นะ แค่ค่อยรู้ทันเอานะรู้ทันเอคนที่ติดเพ่งเนี่ยพอเลิกเพ่งนะจะโมโหร้ายเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพราะฉั้นเราต้องค่อยๆเลิกเพ่งไปเราค่อยๆเห็นนะจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปอะไรไปดูความเปลี่ยนแปลงเขาอย่าไปบังคับให้เขานิ่งนะถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆใจจะค่อยๆคลายออกคลายออกค่ะขอบคุณค่ะ ครับนมัส ก, การครับหลวงพ่อครับคือว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นพวกน่าสมาธิและติดเพ่งมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือเพ่งจนแบบตรงวางคิ้วนี่จะบวดมากเลยครับแล้วเมื่อสามเดือนก่อนได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็เลยลองปฏิบัติตามก็รู้สึกว่าคลายบ้างแต่ว่าทุกวันนี้พอกลับไปปฏิบัติตามรูปแบบก็ยังมีรู้สึกเพ่งอยู่ แต่พอรู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มจะเพ่งอืเราก็รู้สึกตัวว่าเออเราเพ่งนะน<ช>ถือว่าได้ช่วยดูไหมครับหลวงพ่อช่วยช่วยนะก็ะะมันจะค่อยค่ อ, ค, อคลายออกหลวงพ่อก็เป็นแต่ ก, ก่อนนะ่ะขนาดว่าไปดูจิตดูจิตนะเอาตาไปดูกลายเป็นว่าไปเพ่งเพงนะปวดตรงเนี้ยปวดตั้งนานเลยแล้วก็ค่อยรู้เอาค่อยๆ่อยคล า, าครับแล้วก็ผมหลังจากที่สามเดือนที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อนะครับเห็นว่าจิต เขาเกิดดับเร็วมากครับพี่ปอเพราะว่าคือบางทีที่โกรธเนี่ยฮะจะเห็นพอเห็นว่าโกรธปุ๊บก็จะดับพอดับก็ขึ้นโกรธใหม่เห็นอีกก็ดับอีกแล้วโกรธใหม่อีกอย่างเงี้ยครับนี่จิตมันยังตรึกอยู่ในอารมณ์เดิมไงนะหมายถึงว่าจิตผมยังอะไรเอาวังกับความโกรธอย่างเงี้ยใช่ใช่มันยังอะไรเอาวังกับไอ้เรื่องที่ทําให้โกรธแล้วถ้าอย่างงั้นจะต้องยังไงครับาไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะมันเป็นเองอ่ เราไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธได้เองคุณเห็นนะัตตาไปละดีแล้วละ่ะคือถึงเขาจะโกรธก็ให้ตามดูความโกรธไปใช่ใดู ด, ดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธนะเราเป็นแค่คนดูนะไม่ห้ามหรอกนะครับขอบพระคุณครับดูไปเรื่อยมันเหมือนเห็นคนอื่นมันไม่ใช่เราหรอกสามเดือนทําได้อย่างนี้เก่งนะคนติดสมาธิปกติแก้ยากมากเลย า ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็เคยได้ฟังซีดีหลงพ่อมาม า, าครับแล้วเข้าคอร์สหรือเปล่าครับแล้วเข้าคอร์สใช่เข้าคอร์สครับ<อ>ครับก็มาครั้งแรกครับแล้วก็ปฏิบัติทางด้านออดูจิตครับ<ม>แล้วก็ปฏิบัติมาประมาณรุ่มๆปีนึ่นะครับ<ม>แล้วก็บางครั้งก็การดูจิตบางครั้งก็ก็เห็นกายก็ดูกายด้วยใช่ครับก็งั้นกรับก็ขออนุญาต อยากได้แนวทางเพื่อไปได้มีมีโอกาสทำ <ใน S 2> ถูกแล้วนะต<อ>นแต่ว่าต่อไปนี้ทุกวันทําในรูปแบบไหวพระสวดมนต์แล้วก็จะทําสมาธิเรืออะไรก็ทําแล้วรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อน่ะจิตมันจะไหลไปคิดอะไรเงี้ยรู้ทันเรื่อยๆนะไม่บังคับให้นิ่งแต่รู้ทันว่ามันไปคิดมันเคลื่อนไปรู้บ่อยๆแล้วสมาธิเราจะแกกล้าขึ้นต่อไปขันเขินนี่จะแยกหมดแยกได้บ่อยครับขอบคุณครับ เห็นไหมว่าใจมันโล่งกว่าแต่ก่อนเห็นครับนะสบายแต่เราไม่ได้พาวนาสบายนะแต่ว่ามันเป็นเองเป็นผลปลอยได้ความสุขความสบายดีขันเงี้แยแจ๊บ ค, ความทุกข์ก็น้อยลงครับอืมครับต่อไปนะยิ่งพาวนาไปเรื่อยนะจะรู้เลยสามโลกธาตุนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในจุดที่ทุกข์ไกลออกไปเรื่อยๆ เราไปจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นอย่างนั้นก็ใกล้จะเป็นพระอราหันแล้วขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์คโยมปฏิบัติมาเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นทุกข์ดูนะดูร่างกายนี้น ะ, ะเหมือนดูคนอื่นอะเ ห, นเห็นทุกข์ในรูปนอ น, อออ น, นมันก็ชากจิตแรงเลยค่ะหร อ, อมั น, ม, นมันทนไม่ไหวมัง้ง ต้องค่อยๆดูค่ะมันตกใจว่าไม่ใช่เราหลบนอนไม่ใช่เราประกาศชัดเลยเออนะไม่ใช่เราหรอกก็ถูกแล้วล่ะคันนี้โยมก็ตกใจอืแล้วก็ตอนหลังนี้รูปนี้เป็นทุกข์มากอืโยมก็รู้สึกสังเวชใจน้ําตาไหลออกมาอืแล้วก็เกิดว่าเขาประกาศบอกว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์จะเดินไปในคอเขาบอกว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เออ มันไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นแหล ะ, ะนะแต่ว่ามันต้องไปด้วยการที่เราเห็นสภาวะจริงๆบ่อยๆนะของโยมเนี่ยมันยังเจือการคิดอยูนะ่ใจมันยังไม่ได้เห็นร0 0ซนตหรอกต้องดูอีกนะดูบ่อยๆ ค, ความคิดมันนำไปตัวความคิดเนี่ยมันปิดบงังการเห็นความจริงไปโยมไม่สบาย ก็ <Ừ> ็เหนดีด so no. e e ีต่าไปนิยมดูไปเรื่อยนะร่างกายเนี่ยเหมือนคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นป่วยเราเป็นแค่คนดูจิตนั้นมาอาศัยในร่างกายนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นคูหาให้จิตอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวดูเหมือนดูคนอื่นนะเห็นเป็นเปลือกคนอื่นไปมันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เราอืม แล้วจิตมันก็รู้สึกตัวว่าไม่ใช่เราเป็นทุกข์อันนี้ยังคิดนะมันยังไม่ได้รู้สึกด้วยจิตจริงๆ้ จ, งจิตก็จิตก็วางเป็นอุเบกขานะมมันไม่อุเบกขาร้อยเอร์เซ็นตหรอกน ะ, ะมันได้เป็นคลาวคลาดด้วยการคิดเอาเป็นชั่วคลาดเป็นชั่วคลาวน ะ, ะต้องดูอีกดูของจริงบ่อยๆะ อ, ะอะหมดแล้วละ